เพิ่งพากันตั้งใจสํารวมจิตใจของตนให้ดีเนื่องจากว่าชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจะมาสำคัญว่าเราจะไม่ตายง่ายก่อนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าความตายไม่มีกำหนดหมาย ไม่ทราบว่าจะตายวันไหนไม่มีใครบอกล่วงหน้าให้รู้เลยดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอเพราะความตายนี้เป็นมหาภัยอันใหญ่หลวงพระพรธเจ้าทรงตรัสว่าอุปมาเหมือนอย่างภูเขาสูงจุดทองฟ้ากลิ้งมาแต่ทิศ ท, ท้งสี่ ทับปวดสัตว์ทั้งหลายให้เป็นจุนและวิจุนไปฉันใดความแก่และความตายก็ยอมครอบงาสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นเพราะองค์เจ้าทรงอุปมาอุปมาความตายให้พุทธบริษัทธทั้งหลายฟังเพื่อให้พุทธบริษัทร์ได้พิจารณา ให้เกิดความสังเวชสรุดใจเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้เมาในชีวิตเมื่อรู้ว่าชีวิตนี้มันมีความตายเป็นที่สุดอยู่เสมอเสมออย่างนี้ความเมาในลาบในยศชั้นรเสร์นและความสุขในโลกนี้ก็จะบรรเทา เ, บ า, เ บ, าบาบางลง ความเป็นผู้ที่มีจิตใจโน้มไปเพื่อความสงบประงับก็จะบังเกิดขึ้นเพราะว่าการทำความสงบประงับทางจิตใจนี่แหละเป็นทางหลีกหนีจากอำนาจของมั จ, จุราชคือความตายเมื่อจิตนี้ยัง หลงไหล ย, ยึดถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ตราบใดความแก่และความตายนี่ก็ย่อมบีบคั้นอยู่อย่างนี้แหละเพราะเนื่องจากว่าใจเมื่อยึดถือแล้วมันก็เป็นตัวกรรมก็นำให้เกิดอีกอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรง สอนให้พิจารณาความตายนี่เสมอเสมอหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายลมหายใจหมดแล้วก็ตายชีวิตนี้เนื่องอยู่ในลมหายใจอันเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีในอดีต ไม่ได้มีในอนาคตหมายถึงชีวิตนี่นะเพราะอาดีตก็ลงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึงไม่ทราบารม์หายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดเวลาใดก็รู้ไม่ได้ก็ปรากฏแต่ในปัจจุบันเท่านี้แหละถ้า โรคภัยค่เจ็บเบียดเบียนเข้ามาแล้วลมหายใจก็สักจะฝืดๆเข้าไปทุกคนก็ย่อมรู้สึกตัวว่าความตายมันใกล้เข้ามาแล้ว ừ. อย่างนี้แหละต้องพิจารณาดูให้ดีไม่ควรจะหลงจะเมาอะไรให้มากเกินไปบคุคคลผู้หลงผู้เมาแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล ไม่ได้ทำความเพียรภาวนาปรงขันห้าในลงโดยสำคัญว่าขันห้านี้จะไม่แตกไม่ดับง่ายนอนใจอยู่นั่นบุญกุศลอำนวยผลให้มีสุขภาพอนามัยดีกินได้นอนหลับดีแล้วก็เพลินทีนี้คิดว่าตอนนั้นยังไม่ตายง่ายก่อน ล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาธาตุสี่ขันหานี่ไม่ได้ทำใจให้สงบระงรับหรือก็ปล่อยใจให้ยึดถือขันหานี่อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วเพราะในปัจจุบันนี่ขันหามันไม่เจ็บไม่ป่วยมันมีกำลังวังชาดี นี่ก็มาหลงทันห้าอันเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้ดังนั้นจึงไม่ควรไม่ควรหลงเลยเค้าก็รูร้้กันอยู่แล้วนี่ถึงแม้มันจะสุขสบายในปัจจุบันนี้แต่ต่อไปมันจะไม่สบายเพราะร่างกายนี้อยู่นานปีนานเดือนไป มันก็ํำรุดสุดโทรมไปเลยๆแล้วอย่างนี้จะให้มันมีความสุขสม่ำเสมอได้ยังไงอ่ะอนี้พูดถึงจิตใจมา น, นี่จิตใจนี่ถ้าไม่ภาวนาไม่สำรวมให้เข้าถึงความสงบปัญญามันก็ไม่เกิดไม่มีเมื่อไม่มีความรู้ความฉลาดแล้ว มันก็ถูกกิเลสมันหลอกไปให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างโดยมากถ้าไม่รู้ไม่ฉลาดแล้วก็มักจะไปทำาดยความชั่วคนเรานะทำความดีไม่เป็นเพราะไม่รู้ไม่เห็นอานิสงส์แห่งการทำความดีดังนั้นคนหลงคนไม่รู้เนี่ย ก็จึงทำบุญกุศลไม่ได้เลยจะรักษาสินก็ไม่ได้เพราะไม่รู้อนิสงส์นินไม่เห็นโทษแห่งความทุสินไม่เห็นอนิสงส์แห่งการรักษาสินว่ามันอำนวยความสุขความเจริญให้อย่างไรก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้อย่างนี้แนละ้วมันก็ไม่รักษาสินมันก็เรื่อยๆเปย์ๆไปอย่างนั้นน่ เมื่อไม่รู้เรื่องภาวนาว่ามันดียังไงมันเป็นทางพ้นทุกข์ได้ยังไงเมื่อไม่รู้อย่างนี้มันก็ไม่ไม่ภาวนามันก็ขี้เกียจขี้คลั่งเพราะมันไม่เห็นอานิสงส์แห่งการภาวนาอดังนั้นในพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอน ให้ฝึกค้อคนอบรมจิตนี้ให้สงบจากกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางนี่แหละมันปั่นจิตให้พุ่งสั้นเลื่อนลอยไปหรือทําให้จิตอ่อนแอท้อแทะในการจะทําความเพียรมักจะไปเห็นแก่หลับแกนอนเสียเป็นส่วนมากอืมนอนเท่าไรก็ไม่อิ่ม บุคคลผู้รู้อำนาจแก่ตันหาแล้วถือเอาความนอนนั้นว่าเป็นความสุขของตนเลยขาดข้อวัดปฏิบัติตื่นดึกลุกเช้าก็ไม่ได้เพราะเสียดายความนอนเนี้ยก็ส่วนมาก ตั้งแต่หัวค่ำไปจนดึกดื่นก็คุยกันหาเรื่องสนุกสนานกันเที่ยวเตรกันถ้าชาวบ้านก็ดีหาเป็นพระเป็นเจ้าก็คุยกันหาเรื่องมาพูดคุยกันสนุกสนานไปปล่อยให้เวลามันล่วงไปล่วงไปหิวนอนแล้วก็ไปนอน นี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทโดยแท้ปะมาโดโมัจจโนโปดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปะมะตายะถามะตาผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วหมายความว่ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็จริงแต่ว่า ชีวิตจิตใจี่มันตายจากความดีตายจากคุณธรรมคือธรรมของจริงแทนที่จะได้รู้ธรรมของจริงก็ไม่รู้อย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสนาทรงสอนไว้แลวเราต้องเอาไปคิดไปพิจารณา ปัญญาชนพินาแล้วมันย่อมเห็นตามมันเป็นความจริงนี้ความประมาทไม่สนใจฝึกขนอบรมตนบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อบุญกุศลไม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนใจลอยใจไม่มีที่พึ่ง แต่เลื่อนลอยไปอย่างนั้นแะถ้าเป็นนักบวชก็อยู่ไม่ได้คิดแต่ทางศึกหาลาเพศไปหาสเสวงหากามมาคุณรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนี่โดยสำคัญว่าเมื่อตนได้รูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วตนจะมีความโศก เมื่อไม่ได้รูปเสียงเหล่านั้นแล้วมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนมันอยากได้นี่แรลยก ว, ว่าเข้าใจเพศจากความเป็นจริงก็รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนเมื่อได้มาแล้วมันก็วิบัติแปรปวนแตกดับทําลายไปดูแต่ได้อัตภาพร่างกายนี้มาเป็นยังไงอ่ะ อย่าว่าถึงแต่รูปคนอื่นสิ่งอื่นอดไแม้แต่รูปร่างกายอันนี้นะได้มาแล้วก็ทนุถนอมอให้ผ้าหนุงผ้าห่มมันให้อาหารการบริโภคบำรุงมันตามกฎธรรมดาของร่างกายอันนี้ย่อมเป็นอยู่ด้วยข้าวน้ำอาหาร ก็หามาหลอดยังมันอยู่อย่างนี้มาทุกวันทุกวันเลยแต่แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนให้กระดังที่รู้กันอยู่ไปนานปีนานเดือนไปร่างกายนี่ก็ชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆผ่านเคยแข็งแรงเคยแน่นหนาเคียวอาหารได้ดีเคียวอาหารหยาบผงแข็งก็ได้ เมื่อเข้าสู่วัยชรานับแต่อายุ40 50, 50ปีไปแล้วบางคนก็โยกครอนไปเลยหล่อนไปเลยก็มีแต่บางคนก็ยังแข็งแรงอยู่เอา้าถ้าฟันแข็งแรงตาผันมัวเนี่ยอา้าถ้าตาดีหูปดเสียไม่ได้กินอะไรชัดเจน อย่างนี้แหละบางทีก็เสียทั้งหูทั้งตาก็มีผมเคยดำมาแต่ก่อนก็งอขาวโลนไปตาเคยมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนแต่ก่อนมาก็กลับมัวเข้าไปเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรามาแล้ว ก็ความจริงของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมล่ะจึงไ่พิจารณากันจึงไปเพิดเพลินมัวเมาสำคัญว่าตนจะไม่แก่ไม่จิบไม่ตายง่ายง่ายเลยก็ความสำคัญผิดอย่างนั้นหวังมันจึงได้เพลินจึงไม่ได้เอาใจใส่ในการบุญการกุศลแล้วก็ เกิดความเห็นผิดลงไปว่าทําบุญนี่คงจะไม่มีผลตามสมองให้เป็นสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าสแสดงไว้มั้งทําบาปก็เหมือนกันเพราะทาไปแล้วไม่เห็นว่ามันให้ผลอะไรบาปก็ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่อยู่ทุกวันทุกวันก็ยังสบายอยู่อย่างนี้ เลยสงสัยว่าทำบาปคงจะไม่ได้บาปกะมังคันเมื่อพิจารณาเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยลังเลในการละบาปบาเพ็ญบุญนี่คนเราเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นนะการภาวนาฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงความส ง, งบ อันนี้ไดชื่อว่ามันเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาเมื่อปัญญาบาังเกิดขึ้นแล้วมันรู้เองนะบัานี้นะบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงคุณโทษเป็นยังไงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันมีจริงเหลือนี่มันมันรู้เองนะเมื่อปัญญาบาังเกิดขึ้นแล้ว เมื่อปัญญายังไม่เกิดมันก็ไม่รู้จริงนะมันไม่รู้จริงเนี่ยก็เพ่งเข้าไปดูร่างกายนี่ก็ร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เิตใจมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันก็มีความรู้สึกนึกคิดไปเรื่อยๆไปไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรไป นั่นแหละเมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็มองเห็นแต่สภาพธรรมดาที่มันเกิดมาอย่างไรมันเป็นอย่างไรก็เห็นอยู่เท่านั้นเนี่ยเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะรู้ได้ว่าร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนรู้จักชำรุดสุดโทรมไป วันคืนปีเดือนร่วงไปร่วงไปไม่ใช่ร่วงไปแต่วันคืนปีเดือนร่างกายสังขารอันนี้ก็ทรุษสุดโทมไปเหมือนกันในที่สุดมันก็แตกก็ดับลงส่วนจิตใจนะวันนี้ส่วนจิตใจถ้าไม่ออบรมให้มันสงบปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็เป็นที่อยู่ของกิเลส กสะสมความโลภความโกรธความหลงสะสมความรักความใคร่ไว้ในใจให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะแต่จิตใจนี้เมื่อไม่มีคุณธรรมมันดีงามเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็มีบาปความชั่วร้ายตา่างๆดังกล่าวมาแล้วนะนะั่นเป็นเครื่องอยู่ให้พิจารณาดูให้มันเห็นผู้ใดพิณา ดูให้เห็นอย่างนี้แล้วนั่นก็กลัวกิกเลส จ, จะฉุดฆ่าตนไปสู่ทุกข์ระเบนนี้นะเขินสะสมมันไว้มันก็จะฉุดฆ่าไปสู่นรกอบายภูมิหลังจากระร่างกายอันนี้ไปแล้วอืมมันก็รู้ก็เห็นได้ว่าเหตุสนใจยังจะไปตกนรกไปเป็นเปรต เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดริฉานนะ่ะก็เหตุที่ใจมันเศร้าหมองขุนมัวอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนั่นแหละใจเศร้าหมองอยู่เช่นนั้นแหละมันเป็นบาปอกุศลเมื่อไม่ละแล้วบาปกรรมเหล่านี้จะมีอำนาจเหนือจิตใจฉุดฆ่าดวงจิตนี้ไป สู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน ด, ดังกล่าวมาพูดถึงเรื่องบุญกุศลบ่านี้เมื่อบุคคลละความโลภด้วยการบริจาคทานอยู่เสมอมาเพียรละความโกรธด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้บังเกิดขึ้นในใจแล้วก็สมทานมั่นในสี้น ไม่ร่วงศินไม่พอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไอยอย่างนี้จึงเรีชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในอภใยภูมิทั้งสี่คือว่าเห็นว่านรกนั้นมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ เราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครแล้วในโลกนี้โลกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะไปรู้แจ้งเห็นจริงโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงปานิพานได้ไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกองค์อรหรัน เท่านั้นเองนะต้องพิจารณาดูให้รู้ที่พระ อ, องค์รู้ได้อย่างนั้นก็เพราะพระ อ, องค์ละอาสวะกิเลสตัณหาโนาใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกิจใจนี้พระ อ, องค์จึงรู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษเป็นต้นได้นี่เหตุผลเป็นอย่างนี้เหตุที่ว่า เราจะเชื่อพระปัญญาตรัตรลูของมุติเจ้านันนะคนนอกนั้นที่ยังมีกิเลสทุ่มหอจิตใจโย่ย่มไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในบาปในบุญคุณโทษต่างๆหมูนีได้เหตุต่างนั้นมันจึงได้เบียดเบียนกันมันจึงได้ทำลายล้างผลาญชีวิตกัน จึงได้ช่อโกงหลอกลวงรักเอาของคนอื่นมาเป็นของตอนจึงได้ไปเล่นชู้กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นอยู่อย่างนั้นนะพ่อมันไม่รู้ว่ามันเป็นบาปจึงได้ไปไม่สำรวมวาจาคิดได้ยังไงก็พูดไปอย่างนั้นมันจะจริงจะเท็จ อย่างไรก็ช่างมันเต่ขอให้ได้พูดแล้วเป็นพอหรือบางความเจตนาที่จะพูดหลอกคนอื่นให้เห็นผิดเป็นชอบไปก็มีอันผู้ไม่รู้ผู้ไม่เชื่อพระปัญญาตัสรู้ของพระเจ้าแล้วขย่อมเห็นว่า ของเสพติดให้โทษต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความสุขสนุกสนานดีเริ่มทุกข์เริ่มยากไปอย่างนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าความที่ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของอุทยเจ้ามันจึงเห็นตื้นๆไปอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วนะ มันก็ให้ลืมทุกข์ลืมยากแต่แล้วแต่เวลามันเมาอยู่เท่านั้นเองเพอสั่งเมามาแล้วมันก็เป็นทุกขกกกก์ของเก่านั่นแหละข้อกิเลสมันตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่ของเก่านั่นแหละอยางนี้พิจารณาดูให้ดีอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นว่าคนเราถ้ากุ้มกุ้มใจมาแล้วก็ไปดื่มเหล้า ไปสู่กัญชาหรือสูกฟินเนื้อก็หายกุ้มหัวเฮ้ยเข้าใจอย่างนั้นเป็นอันเข้าใจผิดไปมันไม่ไม่หายหรอกมันไม่หายดูคนบางคนน่ะเมาเล่าอยู่แล้ววันนี้กับลื้อฟื้นเอาเรื่องทุกเรื่องโศกที่ตนได้ประสบมาเรื่องผิดหวังอะไรหมดนั้นขึ้นมาพูดอ ย, อย่างนั้นแหละ ที่ได้ลําพันอยู่นั่นแหละมมันมันจึงว่ามันไม่เจรงเรื่องหมูน่นะิธิผู้มีปัญญาแล้วพิจารณาดูแล้วเมื่อก็ไม่บริโภคละของเสพติดให้โทษต่างๆคนละเว้นได้แม้แต่บุรีนี่ก็เป็นของเสพติดให้โทษไม่ใช่น้อยไม่ไม่ไม่ด้อยไปกว่าสุรายาเมาต่างๆหมู่นั้นนะ่ะให้โทษทางจับทางปอด มันทำให้ตบปอดเสื่อมคุณภาพไปเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่ภูมิคุ้มกันยังแข็งแรงอยู่มันก็ยังไม่ปรากฏเท่าไหรอ่อ่ะอย่างนี้ให้พี่นาดูโน่นเมื่ออยู่ไปนานปีนานเดือนไปภูมิคุ้มกรนมัน อ, อ่อนภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงเมื่อใดแล้ว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 กินได้นอนหลับไปแล้วผู้ที่ประกอบความเพียรทางจิตใจก็ทําความเพียรได้เต็มที่คนมีโรคภัยเบียดเบียนแล้วยากที่จะทําความเพียรทางจิตใจให้เข้มแข็งไปได้อืมยากที่จะเพียรละบาปบาเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนได้ดังนั้นคอให น้อมเอาคาสอนเหล่านี้ไปพิจารณาดูให้ดีพิจารณาดูใันมันรู้มันเห็นขึ้นด้วยตนเองเมื่อรู้เห็นขึ้นด้วยตนเองแล้วบาปอนไรเป็นบาปมันรู้ชัดและมันกุลละได้บะเนี้ยสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลมันรู้แจ้งโดยปัญญานะ้นมรรคธรรมให้เกิดให้มีขึ้นได้เมื่อรู้ว่า การทำใจให้เศ้าหมองขุนมัวเป็นทางไปสู่ทุกข์รู้อย่างนี้แล้วมันก็พยายามทำสมาธิภาวนาเพ่งละกิเลสอันหุ่มห่อจิตใจเศร้าหมองขุนมัวอยู่นั้นให้หมดไปสิ้นไปจนกว่ามันจะบริสุทธิ์พุทธผ่องเต็มที่ดังแสดงมา